เวลาพูดถึงการทำสมาธิหรือการทำกรรมฐานหลายคนเนี่ยคิดว่าสถานที่ที่เหมาะก็คือวัดหรือไม่เช่นนั้นก็เป็นที่ที่สงบเดี๋ยวนี้ก็มีการใช้รีสอร์เป็นที่ทำสมาธิทำกรรมฐาน หรือไม่ฉชนั้นก็ถ้าเป็นที่บ้านก็เป็นห้องพระหรือว่าห้องที่ติดแอร์่มีที่หนึ่งนะที่เหมาะกับการทำสมาธิการทำกรรมฐานเนียที่นั่นคือคุกนะหรือเรือนจำเพราะว่า ผู้คนในนั้นมีความทุกข์มากที่จริงก็ดูเหมือนไม่เข้ากันเลยนะคุกกับการทํากรรมฐานเนี่ยพราะเราก็มาจะเข้าใจว่าคนที่อยู่ในคุกนี่เป็นพวกที่ห่างไกลจากธรรมะเป็นพวกเหลือขอจะมาสนใจอะไรนะกับการทําสมาธิการทํากรรมฐาน จากนี้เลยเป็นความเข้าใจผิดนะเดี๋ยวนี้มีคุกเรือจำหลายแห่งที่จัดคอร์สปฏิบัติธรรมทาสมาธิทากรรมฐานหรือว่าถึงขั้นวิปัสสนาเลยได้ดูคลิปวิดีโอนะที่มีการนำเอาการทาสมาธิ เข้าไปในเรือนจำแล้วก็เรียกการทำสมาธิว่าวิปัสสนาอันนี้ก็เป็นความริเริ่มของท่านอาจารย์โคอ็นกาเมื่อหลายสิบปีมาแล้วแล้วก็มีการาสืบต่อแนวทางนี้มาอย่างต่อนเนื่องถ้ดูคลิปแล้วก็กน่าทึ่งนะเพราะว่า นักโทษเนี่ยซึ่งถือ่ส่วนใหญ่ก็จนะ้เป็นนักโทษคดีอุกฉกรรตอันนี้เขาเปิดใจยอมรับการทำสมาธิการทำวิปัสสนาไม่ใช่น้อยเลยเรียกว่ามีความยินยอมที่จะมาเข้าร่วมการฝึกกรรมฐานเนี่ย อาจจะมากกว่าคนทั่วไปที่อยู่นอกคุกซิ่งนะซึ่งก็อธิบายได้เข้าใจได้นะเพราะว่าสำหรับคนในคุกเนี่ยการมานั่งทำสมาธิแม้จะวันละหลายชั่วโมงนะสิบชั่วโมงแล้วก็ทำทุกวันต่อนเนื่องสิบวันเนี่ย ยังไงมันก็ดีกว่าทิ่ีชีวิตปกติในคุกนะเพราะถ้าไม่มันนั่งสมาธิก็ต้องเจอหลายๆอย่างที่มันลำบากเจอการดุดาของผู้คุมหรือว่าอาจจะมีการทะเลาะขัดแย้งกันวิวาทบาดหมางกันหรือไม่ช น, นก็ต้องถูกใช้แรงทำงานหนัก สำหรับคนในคุกเนี่ยการที่มันนั่งยิงนิ่งเนี่ยเวลาสิบชั่วโมงเนี่ยพราะมันสบายกว่าชีวิตปกติในคุกเสียอีกนะซึ่งต่างจากคนที่อยู่นอกคุกนะอย่างคนทั่วไปเนี่ยเวลาจะให้มาทำสมาธิมาทำกรรมฐานนี่หลายคนก็จะมีความรู้สึกอึดอัดนะ บางทีมีแรงต้านอยู่ข้างในเพราะอะไรนะเพราะว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจมากกว่าการทำสมาธิทำสมาธิต้องนั่งต้องเดินในขณ ะ, ะที่ทําไม่ทำนะโอ้มีอะไรน่าสนใจให้ทำเยอะเลยไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงพูดคุยกับเพื่อน มันมีสิ่งที่ดีกว่าที่ดึงดูดใจมากกว่ามีเสน่ห์มากกว่าการนั่งสมาธิแต่ชาวคนในคุกเนี่ยในการนั่งสมาธินี่มันมันดีกว่านะการทำอย่างอื่นในเรือนจำหรือในคุกเพราะว่าไอ้สิ่งอื่นที่ที่ว่านี่มันลวนแต่แย่ๆทั้งนั้น ถือว่ามานั่งสมาธินี่ก็เรียกว่าได้พักผ่อนไม่ต้องไปเจอคำดุดาของผู้คุมหรือถูกทำร้ายเพราะนั้นเนี่ยพูดถึงการตอบสนองของคนในคุกในเรือนจำนี่ที่มีต่อสมาธิภาวนาหรือกรรมฐานนี่มันกลับดีกว่านะกลับดีกว่าคนทั่วไปคนทั่วไปมีอิสระเสรีที่จะทำอะไรได้มากมาย ที่มันตามใจกิเลสแต่คนในคุกนี่ไม่สามารถจะทำอย่างนั้นได้ฉะนั้นจะว่าไปการนั่งสมาธิก็ถือเป็นทางเลือกที่ที่ดีที่สุดแล้วแล้วมันก็ช่วยเขาได้จริงๆนะนการที่ได้มาเฝ้าสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจ แม้จะนั่งนิ่งๆแต่มันก็มีเวทนาดูเฉพาะทุกขเวทนายิ่งถ้าปฏิบัติได้ถูกนะคือเห็นมันมาแล้วไปเห็นมันมาแล้วไปแค่ดูมันเฉยๆไม่ใช่แค่เวทนาแต่รวมถึงความคิดละอารมณ์ใหม่ๆมันก็มีความคิดเรียกว่าคลัพงพลูมากมาย แต่พอเริ่มจับหลักได้ก็ดูมันเฉยๆดูมันมาแล้วก็ไปความโกรธก็เหมือนกันนะคนในคุกนี่ก็มีความโกรธมากอาจจะโกรธเพราะว่าสะสมในวัยเด็กหรือว่าโกรธเพราะความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมบางคนก็ติดคุกโดยอ่า ไม่ได้ทำผิดอะไรหรือว่าต้องมาเจอกับความเลวร้ายถูกกระทำย่หยีก็คือความโกรธจะไม่ได้เรียนรู้ที่จะดูมันมาแล้วก็ไปอันนี้เป็นคำพูดของนักโทษนะที่เขาบอกว่าเขาได้เรียนรู้ที่จะมาสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายและใจและเรืนจาที่ว่าเนี่ยมัน ก็ไปเรือนจำที่ก็เรียกว่าอุกชะกันนะคนที่ติดคุกนี่คดีหนักๆทั้งนั้นแล้วก็มีประวัตินะการทะเลาะวิวาทการก่อความรุนแรงทุบตีชกตีกันและประเภทที่ว่าออกจากคุกแล้วก็กลับมาติดคุกใหม่นี่มีเยอะมากอย่างคุกในอินเดียที่เขาทำ ใครทำเนี่ยบอกร้อยคนเนี่ยที่ออกไปเนี่ยมีแค่ยี่สิบคนนที่ไม่ได้กลับเข้าคุกเหมือนเดิมที่เหลือแ0สิบนี่กลับมาเข้าคุกใหม่เพราะว่านิสัยสันดาหรือว่าอารมณ์นมันยังไม่เปลี่ยนแปลงแต่พอผ่านการทำวิปัสสนานี่ คนที่กลับเข้ามาติดคุกใหม่หรือทำผิดน้อยลงนะมีแค่30อีกเจดสินี่ก็สามารถจะใช้ชีวิตอย่างเสรีชนได้โดยที่ไม่ไกระทำผิดซ้ำสองคุกในอเมริกาก็เหมือนกันนะเขาก็พบว่าเนี่ยพอเอาสมาธิหรือเอาพิ ป, ปัสสนานี้เข้าไปแล้วถ้าคนเนี่ยมี ความทุกข์น้อยลงรู้จักรับมือความโกรธได้ยังมีคนหนึ่งบอกว่าเนี่ยแต่ก่อนก็รู้แค่ว่าเมื่อมีความโกรธก็ให้ระบายออกมาหรือไม่ใช่ก็เก็บกดมันเอาไว้แต่การทำสมาธิหรือวิปัสสนาทำให้เขารู้ว่าเนี่ยมันมีทางออกที่สามนัคือการเฝ้าดูมันเฉย ให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ดูมันหรือจัดการกับมันอยา่างถูกไม่ต้องกดข่มมันก็ทำให้ความทุกข์เช่นความโกรธนะความขับแค่หรือความเกลียดบันเทาเวบาบาในการชกต่อยอ่านะไม่ว่ากับนักโทษด้วยกันหรือว่ากับผู้คุมก็น้อยลงที่จริงเนี่ยจะว่าไปแล้วเนี่ย สำหรับคนทั่วไปเนี่ยมักจะคิดว่าคุกเนี่ยนะมันก็คือสิ่งที่ก่อด้วยอีกนะหรือว่าสร้างโดยปูนหลายคนคิดว่าเนี่ยคุกมันก็มีเท่านี้แหละแต่จริงแล้วเนี่ยแม้ไม่อยู่ในคุกไม่อยู่ในไม่อยู่ในเรือนจำนะ แต่คนจนนไม่น้อยนี้ก็ถือว่าติดคุกเหมือนกันนะเพียงว่าคุกที่ว่าเนี่ยมันเป็นมันไม่ได้ก่อด้วยอิฐหรือสร้างด้ดยปูนนะแต่มันคืออารมณ์อกุศลหรือความทุกข์ที่มันครอบงำคนเราเอ า, เอาไว้ไอ้คุกเนี่ยแบบนี้มันน่ากลัวกว่านะคนที่เดินเหินไปในบ้านไหนเนี่ย หลายคนเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าตัวเองเนี่ยติดคุกคุกทางอารมณ์ไอ้คุกที่ขวางกายาไว้นี่มันจะว่าไปแล้วนี่มันน่ากลัวน้อยกว่าคุกที่มันขังใจเราเอาไว้นะคุกที่ขังกายเนี่ยหลายคนพออยู่ไปอยู่ไปเนี่ยมันเหมือนบ้าเลยนะ มีนักโทษจนวนมากนี่พอติดคุกสัก10ปี20ปีเนี่ยเขาสึกสบายเลยเขาสึกว่าคุกนี่คือบ้านนะไม่ได้มีความเดือดเนื้อร้อนใจไม่ได้มีความอึดอัดอะไรเลยแต่คุกในใจเนี่ยนะหรือคุกที่ขังใจไว้เนี่ยไม่ว่ากี่ปีกี่ปีเนี่ยนะมันก็ยังสร้างความทุกข์ให้กับ คนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นความโกรธไม่เป็นความโศกความเศร้าความรู้สึกผิดหรือความหดถูคอเหี่ยวหลายคนติดคุกเนี่ยสาสิปีสี่สิปีพอนะครบกำหนดนี่ไม่อยากออกนะไม่อยากออกเพราะอยู่ข้างในมันสบายแนละ้ว แต่คนที่ใจนี่เขาถูกขังเนี่ยมันรุ่มร้อนอยู่ทุกวินาทีเลยก็ว่าได้ยากที่จะปรับตัวจนคุ้นเคยกับมันได้แล้วข้อที่มำคันคือว่าคนที่ติดคุกที่มันก่อด้วยอีดสร้างด้วยปูนเนี่ยอย่างน้อยเขาก็รู้ว่าเนี่ยมันเป็นคุก แต่คนที่ใจถูกขังด้วยคุกอารมณ์เนี่ยน้อยคนนนะไม่รู้น้อยคนจะรู้นะว่ามันคือคุกนะติดคุกแลว้วรั้วนั่นคือคุกนี่ย่างดีนะมันอยากจะออกแต่ว่าติดคุกแล้วไม่รวัวนั่นคือคุกนี่มันไม่คิดจะออกเลยแต่ว่าก็จมอยู่ในความทุกข์ งั้นถ้าที่งระหว่างคุกที่มันขังกายเนี่ยกับคุกที่มันครอบจิตเอาไว้เนี่ยไอ้คุกที่มันครอบจิตเอาไว้นี่มันน่ากลัวกว่านะมันสร้างความทุกข์ความทรมานมากกว่าแล้วมันไม่เลือกนะว่าจะเกิดขึ้นกับใครแม้จะอยู่นอกคุกนะแต่ว่าจิตใจก็รุ่มร้อนไม่สามารถที่จะออกจากความทุกข์ได้ ไม่สามารถที่จะออกจากอารมณ์แล้วมันก็ทําให้ทุรนทุรายจนกระทั่งบางคนเนี่ยพอไม่รู้ว่าจะออกออ ก, ออกจากคุกนี้ยังไงนะก็คิดถึงหนทางเดียวคือฆ่าตัวตายเพราะเขาคิดว่าเนี่ยมันเป็นทางเดียวที่จะออกจากคุกชนิดนี้ได้ไอ้คนที่ติคุกนะที่กอดด้วยอิดรอด้วยปูนเนี่ย ถ้าว่าใจเขาไม่ติดคุกโดยนี้เขาก็ยังรู้สึกเป็นอิสระนะยังมีความสุขและนี่คือสิ่งที่กรรมฐานเนี่ยสามารถจะช่วยคนหลายคนซึ่งเดิมทีเนี่ยติดคุกทั้งกายติดคุกทั้งใจแต่ต่อหลังเนี่ยกรรมฐานหรือวิปัสสนานี่มันช่วยทำให้เขาเป็นอิสระจากอารมณ์อกุศลก็เหลือแต่ คุกทางกายนะคุกทางใจมันก็เบาบางลงพอไม่มีคุกทางใจมาครอบเนี่ยการอ ย, อ, ยอยู่กับคุกที่บันก่อฤทอิ์สร้างได้ปูนนี่มันก็ไม่ได้ท ร, รมานมากนะกลับจะมีความสุขได้ซ้ำวันก่อนได้พูดถึงพิกษุณีชาวอังกฤษนะที่ไปบวชในพุทธศาสนาแบบวัชรยาน ซึ่งชื่อว่าเชนซึ่นพาโม่เนี่ยอย่างที่เคยเล่านะปลอดท่านน่าสนใจอายุ 18-9 นี่พอได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับเมืองไทยพูดถึงพุทธศาสนาในเมืองไทยเห็นภาพพระเห็นภาพแม่ชีในเมืองไทยเนี่ยก็รู้เลยนะว่าตัวเองเนี่ย คือชาวพุทธนะประกาศเลยนะว่าฉันคือชาวพุทธเราจะอ่านหนังสือเล่มนี้เสร็จแสวงหามานานพบคำตอบจากการอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วตอนหลังก็ไปบวชนะเป็นแม่ชีอายุ2ี่สเท่านั้นแหละอายุ27นี่ก็ไปปฏิบัติธรรมบนเขาสูงมากนะสามสี่พันเมตร ในประเทศอินเดียแล้วก็เก็บตัวอยู่ในถ้ำคนเดียวนะเป็นถ้ำที่เรียกว่าธรรมชาติแท้ๆเลยไม่ต้องพูดถึงน้ำประปาไฟฟ้าหนาวก็หนาวไม่มีเครื่องทำความร้อนดูในนั้นเนี่ยกี่ปีเนี่ยรู้มาเนี่ยสิบสองปี อยู่นนสิปีโดยที่แทบไม่เจอผู้คนเลยนะจะว่าไปก็มันอยู่ในคุกนะเพราะว่าถ้ำนี้ก็แคบๆทั้งปีทั้งตลอด12ปีนี้แทบไม่ได้ออกมาจากออกออกมาจากถ้ำไกลเท่าไหร่เลยดีหน่อยที่ไม่ต้องไปหาอาหารเพราะมีคนเอาอาหารมาส่ง มาส่งทีหนึ่งก็เรียกว่ากินไปได้นานนะสามสี่เดือนของแห้งทั้งนั้นเหมือนก็อยู่ในคุกนะแต่ว่าท่านมีความสุขมากเลยจีดแรกตั้งใจว่าจะอยู่สักสามปีครบสามปีแล้วขออยู่ต่อเพราะว่ามีความสุขคุกเนี่ย ไ, ไอ้ทามเนี่ยมันเหมือนคุกนะ แต่เป็นคุกทางกายส่วนใจเนี่ยของพิสุนีท่านนี้นี่จิตใจเป็นอิสระเพราะได้ทำสมาธิเพราะทำอย่างหนักเลยนะตื่นตีสามก็มานั่งทำสมาธิจนทั้งถึงประมาณสี่ห้าทุ่มเข้านอนสมาธิส่วนใหญ่ก็นั่งเอานั่งทำเตียงก็เป็นเตียงแคบๆนะ สามคูณสี่ฟุตนะซึ่งเรียกว่ามันนอนแผ่ไม่ได้เลยก็เรียกว่าแบบนั่งๆ่งนั่งหลับมากกว่านั่งสมาธิแล้วก็นั่งหลับถ้าคนธรรมดานี่แค่อยู่ในนั้นเนี่ยหนึ่งวันนี่คงจะกระสับกระส่ายแนะแต่ว่าท่านเทนเซนนี่อยู่ต้องสิบสองปี มันมองสายตาคนทั่ไปก็เหมือนติดคุกกันนะแต่ถ้ามันเป็นคุกก็เป็นคุกทางกายนะส่วนคุกทางใจนี่ไม่มีนะใจเป็นอิสระสงบนะแม้จะมีสิ่งแม้จะมีความคิดมารบกวนแม้จะมีความคิดเกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้รบกวนเพราะว่ารู้วิธีในการที่จะรับมือกับความคิดต่า ง, า ง, างนาๆนานาไม่ว่าจะรวมทั้งอารมณ์ คิดถึงบ้านความกลัวไอ้พวกนี้ไม่สามารถจะมาค่อมงมจิต ท, ท่านได้เลยเพราะว่าถ้ารู้วิธีนะที่จะพาจิตออกจากอารมณ์เหล่านี้อันนี้มันเชืเ่อเลยนะว่าติดคุกทางกายนี่มันไม่เท่าไหร่ถ้าว่าใจนี่เป็นอิสระไอ้ที่น่ากลัวคือว่าติดคุกทางใจนั่นแหละแม้ว่ากายนี่เป็นอิสระแต่ว่ามันก็ สร้างความทุกข์ให้กับจิตใจมากสิ่งที่วเราควรจะกลัวเนี่ยนะก็คือคุกทางใจนี่แหละถ้าหากว่าใจไม่ถูกคร่อเบงำด้วคุกแบบนี้แล้วนี่อยู่ที่ไหนก็มีความสุขนะแม้อยู่ในถ้ำนะที่ไม่มีอะไรเลยไม่มีเครื่องทําความร้อนอาหารก็เรียกว่าไม่มีรสชาติ โทรัพทนะไม่ต้องพูดถึง <c oughs> ตอนที่ท่านเนี่ยลงมาจากเขาเนี่ยที่ลงจากเขานี่เพราะตำรวจไปตามนะตำรวจอินเดียไปตามบอกลงมาได้ละเพราะว่าวีซ่านี่หมดละมันหมดไปนานแล้วนะวีซ่านี่ไม่รู้ตำรวจอินเดียนี่มนรู้ได้อย่างไงนะว่าท่านอยู่ในนั้นเนี่ยบอกว่าวีซ่าหมดอายุแล้วให้รีบ ลงมาแล้วออกนอกประเทศไปเลยภายใน10วันตอนที่ลงมายคนแตกตื่นกันใหญ่นะเพราะคนที่จะมานั่งสมาธิหรือเก็บตัวในถ้าเนี่ยปีเนี่ยมันมันมีน้อยมากนะต้องเป็นคนพิเศษจริงๆถ้านก็สัมภาษณ์นะว่าเนี่ยอยู่ในนั้นเนี่ยปีเนี่ยไม่มีวันไหนที่รู้สึกเบื่อเลย มันมีแต่ความสงบมีแต่ความความปิตินะอันนี้มันก็เชื่อ เ, เลยนะว่าอย่างที่บอกนะคุกทางกายนี่มันไม่น่ากลัวหรอกแม้มันจะลาบากยังไงแต่สิ่งที่น่ากลัวกว่าคือคุกทางใจถ้าไม่มีคุกมาครอบงาใจแล้วอยู่ในถ้ำสิบสองปีหรือว่าอยู่ในเรือนจํย20สิปีมันก็ไม่ได้สร้างความทุกข์อะไรให้เลย พวกเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในคุกนะที่เป็นเรือนจำนะแต่ว่าก็ต้องระวังนะไอ้คุกทางใจเนี่ยมันอาจจะครอบงมเราโดยเราไม่รู้ตัวอาจจะเป็นความคิดก็ได้นะคิดซ้ำคิดซาบคิดวกคิดเวียนอยู่กับเรื่องเก่าๆในอดีตความวิตกกังวลเกี่ยวกับ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตความโกรธความเกลียดความเครียดแค้นความวิชาพยาบาทพวกนี้เป็นคุกที่น่ากลัวทั้งนั้นจริงมันมีคุกอีกอย่างหนึ่งนะคุกที่ทำด้วยเนื้อก็คือร่างกายเรานี่แหละร่างกายของเรานี่สามารถเป็นคุกได้นะถ้าเกิดว่าเป็นโรคบางชนิดเนี่ย มันไม่ใช่แค่พิการจนกระทั่งนอนติดเตียงนะบางทีมีหนักกว่านั้นนะก็คือว่าไม่สามารถจะขยับเนื้อขยับตัวอะไรได้เลยแต่ขยับมือก็ยังไม่ได้พูดยังพูดไม่ได้เลยอย่างอาจารย์กาพลนี่ยังถือว่าดีนะเพราะว่าพิกการแค่คอลงมาส่วนมือก็ยังขยับไปได้ ขยับได้บ้างเขียนหนังสือได้ยังกินได้พูดได้นะกับพิบตาได้แต่บางคนนี่กล้ามเนื้อในร่างกายทุกส่วนไม่ทำงานเลยหมายถึงกล้ามเนื้อในการขับขยั บ, ข ย, บขยับขยับขยื่นแขนขานะพูดก็ไม่ได้แต่สมองดีหมดเลย อันนี้คือเรียกว่าล็อกอินซินโดรมนะคนที่โชคร้ายเป็นแบบนี้ก็มีไม่น้อยนะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยบางทีสมองนี่มันเสียหายโดยเพาะส่วนที่ควบคุมกล้ามเนื้อพูดไม่ได้อาจจะทำได้แค่กับพิบตานกยุงกัดก็เจ็บแต่บอกไม่ได้ โกรธใครไม่ชอบใครก็รู้สึกแต่ว่าพูดไม่ได้วันนี้แล้ ว, ว่าร่างกายนี้เป็นคุกเลยนะแต่บางคนนี่แม้ว่าร่างกายจะกลายเป็นคุกนะแต่ว่าใจเขาเป็นอิสระนะยังมีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยเป็นนักเขียนประสบอุบัติเหตุแล้วก็เป็นเกิดอาการที่ว่าเนี่ย เขาทำได้เพียงแค่กับพิษตาแต่เขาอาศัยการกับพิษตานี่นะเขียนหนังสือออกมาหนึ่งเล่มชื่อว่าชุดปดา น, านานและผีเสื้อก็ เ, เปรียบว่าชุดปดานั้นคือร่างกายเขานี่แหละปะ า, นานานนี่มันหนักมากเปรียบมันก็ร่างกายแต่จิตใจเขามันกับผีเสื้อนะเป็นอิสระแล้วเขาก็สามารถที่จะรักษาใจไม่ให้ทุกข์ทรมาน อาการที่ว่าได้ทั้งๆ ท, ที่มันไม่มีอนาคตเลยนะคือไม่นานก็ต้องตายและระหว่างที่ยังไม่ตายเนี่ยถาาว่าปล่อยใจฟุ้งซ่านมามันก็ยิ่งเกิดความกลัวเกิดความวิตกเกิดความตื่นตอนหนกคนส่วนคนจะนวนไม่น้อยเนี่ยไม่ได้เจอแค่คุกทางกายเจอคุกทางใจเข้าไปด้วยแต่ว่า พระังคนนี้โบบีทเนี่ย้ยแกสามารถที่จะปลดล็อกใจเนี่ยออกจากคุกที่ว่าได้นะจิตใจก็ยังมีความแช่มชื่นเบิกบานมีอารมณ์ขันสามารถที่เขียนหนังสือที่อ่านได้เพลิดเพลินมากอันนี้เรียกว่าแม้เจอคุกทางกายแต่ว่าใจนี่ก็สามารถจะเป็นอิสระได้ในระดับหนึ่ง เราก็ไม่รู้นะเราจะติดคุกแบบนี้หรือเปล่าอาจจะไม่ถึงขั้นถึงขั้นแบบเป็นโรคล Lock ็อกอินซินโดรมนะแต่าอาจจะเจ็บป่วยจนนอนติดเตียงอยู่ในห้อง ICU อันนี้คือสิ่งที่สามารถจะเกิดขึ้นได้นะกับผู้คนทั้งหลายในยุคปัจจุบันโดยเพราะเวลาแก่ชาราอันนี้ก็เรียกว่าร่างกายกลายเป็นคุกนะซึ่งหลายคนก็ทนไม่ได้ปล่อยให้ใจนี้จมอยู่ในคุกอีกชั้นหนึ่ง เกิด ค, ความกระสรับกระส่ายทุรนทุรายแต่ถ้าว่ามีธรรมะนะมีสติรู้จักกรรมฐานก็สามารถที่จะปลดล็อกใจให้เป็นอิสระได้แม้ว่ากายมันจะต้องติดเตียงมีพันธนาการมีสายรโยงระ ย, ยางแต่ว่าใจก็ไม่ทดทุกทรมานเพราะใจเป็นอิสระ อันนี้มันเป็นการบ้านนะที่เราต้องต้องตระหนักแล้วก็ฝึกเอาไว้เพราะไม่รู้ว่าวันดีคืนนีจะเจอแบบนี้หรือเปล่าวันที่ร่างกายเนี่ยมันกลายเป็นคุกแต่ว่าถ้าเราฝึกใจไว้ดีนะใจก็เป็นอิสระได้